ขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้เราจะมาฟังธรรมในลักษณะคุยกันลักษณะใครสงสัยอะไรก็ถามขึ้นมาได้ พวกเรามันเป็นนักเรงฟังธรรมไม่ใช่นักเรงปฏิบัติธรรมฟังไม่รู้ว่ากี่ครูกี่อาจารย์มาแล้วนักเรงที่จะทำให้ตัวเองเป็นก้าวเข้าสู่แดนอริยบุคคลต้องเป็นนักเรงฟังนักเรงปฏิบัติ ด, ด้วย เพราะยุคนี้สมัยนี้มันฟังธรรมไม่หลุดพ้นแล้วาศาสนามันมีอยู่ห้ายุคพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์ตรัสรู้เสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็มากำหนดธรรมะอยู่สามระดับระดับหนึ่งนั้นเอถ้าเราบัญญัติแบบ สูงสุดมนุษย์ก็จะรู้ไม่ได้พระองค์าคิดดูธรรมะสามระดับนี้ถ้าสูงมากความสามารถของมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะทำตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ได้เพราะมันละเอียดแล้วก็สูงมากทีนี้มีทำขั้นกลางขั้นกลางกลาง เอออันนี้พอดีกับความสามารถของมนุษย์ก็เลยมาบัญญัติซึ่งต่ำกว่านี้ก็มีต่ำกว่านี้ผู้ฉลาดก็จะเป็นพระอรหันต์ช้าผู้ไม่ฉลาดไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยก็เลยมาเอาธรรมะแบบกลางกลาง คำนวณดูแล้วว่าใส่กับความสามารถของมนุษย์ผู้มีบุญญาบา ร, รมีสักหน่อยหนึ่งก็จะสำเร็จไ ป, ส, ไ ป, ส, ไปสาเร็จไปสาเร็จไปศาสนามันมีอยู่ห้ายุคนะยุคที่หนึ่งเขาเรียกว่าวิมุตติยุควิมุตติยุคเนี่ยยังไม่ได้ตั้งาศาสนาเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาก็เออ คำนวณเฉยๆยังไม่ได้ตั้งาศาสนาเลยก่อนจะออกบินถบายพระพุทธเจ้าก็มีเลงยานดูสัตว์โลกใครมาเกี่ยวข้องในพระยานของพระองค์พระองค์จะทราบทันทีเลยว่าเอาคนนี้ชื่อนี้อยู่ตรงนี้ พะเสร็ภารกิจพระองค์ก็จะไปโปรดทันทีไปถึงตรวจสันดานและวาสนาว่าเขาสร้างบุญญาบา ร, รมีอย่างไรมาพอไปถึงตัวก็ยกปัจักขาธรรมขึ้นยกปัักขาธรรมขึ้นเท่านั้นยังไม่ได้อธิบายเลยสำเร็จเป็นพระอาหาร์เลย ถ้าเกี่ยวข้องกันหลายคนพระองค์ก็จะดูว่าใครมีอันตรายต้องไปเอาคนนั้นถ้าใกลก็ไปด้วยกายหยาบไปไปด้วยกายทิพย์ถ้าใกล้ก็ไปด้วยกายหยาบไป ถ, ถึงก็ยกพระทกษาธรรมขึ้นก็สําเร็จสําเร็จสําเร็จยุคเนี้ยคนจะ สำเร็จก่อนบวชสำเร็จแล้วค่อยไปหาผ้ามาบวช <c oughs> <c oughs> เล่งยานป้ายเล่งยานไ ป, า น, ไปนานเข้านานเข้าคนดีมันไปหมดแล้วดีก็ดีน้อยพระองค์ก็ได้มานี่ถึงจะทำชั่วไว้เยอะ แต่พระยานของพระพุทธเจ้านี่รู้ว่าชาตินี้คือชาติสุดท้ายขององค์กุติมานถ้าปล่อยให้ฆ่ามารดาเสียกบอนันติยกรรมอีกนานแสนนา น, านต้องไปเอานี่ก่อนนี่คือยุคนั้นที่นี้เลงยานอย่างไรก็ไม่เจอ นานเข้านานเข้าเลงยาเนี่ยไงก็ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องเลยอ๋อคนที่ดีๆฉลาดไปหมดแล้วที่เหลืออยู่นี้ก็ดีอยู่แต่มันดีน้อยก็เลยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับยานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงได้มาวางไตรสิกขาขึ้นก็คือสิน สมาธิปัญญาเขาเรียกสมาธิยุคมีมุติยุกนะมันหมดไปแล้วเดี๋ยวนี้สมาธิยุกพระพุทธเจ้ามาวางไตรสิกขาขึ้นคือสินสมาธิปัญญาอันนี้คือสายตรงเข้าสู่พระนิพพานเลยนะพวกที่เหลืออยู่นี้ก็เป็นคนฉลาดอยู่แต่ฉลาดน้อยให้เขา มาศึกษาเรื่องศีลรักษาศีลให้สมบูรณ์แล้วเขาก็จะทำสมาธิจิตเขาถึงความเป็นสมาธิเขาจะเห็นอริยสัจของเขาเองอันนี้เรียกว่ายุคของยุคของพวกเรานี้คือสมาธิยุคต้องมานั่งสมาธิต้องมาพิจารณ า, านั้นพิจารณ า, านี้เสียก่อนนะถึงจะเป็นสมาธิ ไม่ใช่ว่าวพระพุทธเจ้ามาสร้างศาสนาเลยนะไม่ใช่มันมีอยู่ยุคหนึ่งเขาเรียกว่าวิมุตติยุคยุคของเรานี่คือสมาธิยุคยุคต่อไปนี่คือศีลยุคสมาธิไม่มีแล้วเอาศีนมาอวดกันเฉยๆยุคที่สคือสุตายุคศึกษาเร่าเรียนสุตายุคสุดท้ายเนธานยุค สองยุคสุดท้ายนี่พระจะเหลวเละพระจะเหลวเละมากแต่โยมก็มีการให้ทานอยู่ตลอดแต่ไม่มีการปฏิบัติธรรมเลยเพราะฉะนั้นพวกเรานีอยู่ท้ายท้ายของสมาธิยุค แต่ถ้าพวกเราไม่เขี่ยวเข็นตัวเองยุคนี้ผ่านไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์เลยนะไม่มีสิทธิ์เลยท้ายายุคสมาธิยุคดวมิมุติยุคสมาธิยุคสิลยุคสุตยุคทานายุคมันก็จะลอยหลอไปเรื่อยๆเรื่อยๆการฟังธรรมหลวงพอ่อเพื่อนก็พูดดีนะ หลวงพ่อก็พูดหลักการเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นจะแสดงว่าพวกเอาพวกเรานี่เอาแบบเต็มกระเป๋าเลยนะวันนี้นะการบรรยายธรรมเนี่ยไม่เหนือกันหรอกนักวิชาการที่จะให้เราไปบำรุงรักษากจิตใจเนี่ยไม่หนีกันหรอก ไม่หนีกันช่างเย็บผ้าช่างไฟฟ้าไม่หนีกันหรอกช่างอธิบายเรื่องจิตเรื่องสมาธินี่ไม่หนีกันอธิบายอยู่ที่เดียวกันนี่แหละผิดแต่วิธีการนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเราจะเอาวิธีการมาโต้เถียงกันให้เสียเวลาใครจะยึดเอาวิธีไหนก็จะเลินตามวิธีนั้นๆก็ไปถึงความเป็นสมาธิเหมือนกันทุกคน อย่าคิดว่าวิธีนี้จะทําให้เราได้สมาธิในวันสองวันอย่าได้คิดอย่าได้คิดไม่มีวิธีไหนที่จะกําหนดย่นย่อเข้ามาได้จิตใจเนี้ยถ้าเขามีพลังไม่พอเขาเป็นสมาธิไม่ได้หรอกมันเหมือนเราจุดโคมไฟแล้วจุดแล้วโยนมันขึ้นไปมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะ ชะรอให้ควันมันเต็มมันลังมือเรานิดหนึ่งมันถึงจะขึ้นจิตใจก็เหมือนกันเราจะ ร, รู้รู้วิธีแล้วทำตามให้จบวันนี้ได้วันพรุ่งนี้เลยนี่ไม่เป็นไปไม่ได้ต้องใช้เวลาจิตใจนี่เหมือนปลูกต้นไม้เราเอากล้ามันไปนลงดินเราจะให้มันเป็นดอกเป็นผลเลยพรุ่งนี้เมื่อเดืนนี้มันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นวิธีการไหนก็ช่างไม่มีวิธีที่จะย่นยอ่อหรือว่าบังคับให้เวลานี้ให้จิตเป็นสมาธิได้รวดเร็วไม่มีขอให้เรารู้วิธีแล้วก็ทําอยู่เป็นนิดอันนี้ให้จําไว้แล้วก็อย่าเอาวิธีการมาเถียงกันยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังดูลมหายใจบริกรรมพุทโธล้วนแล้วแต่ เป็นวิธีการที่จะจับจิตของตัวเองมาไว้ที่กายทั้งนั้นจิตที่จะเป็นสมาธิคือจิตไม่ส่งกระแสออกไปไหนถูกผู้เป็นเจ้าของกาหนดเข้ามาอยู่ในกายเท่านั้นอย่างอื่นเขาเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราต่างเทศกันมานาน มันก็เลยตายด้านขี้เกียจขี้คานดูขี้เกียจขี้คา น, ก, านกำหนดรู้เขาไม่ถึงเวลาเขาไม่ไปดอกจิตใจเราต้องการสิ่งที่ดีๆต้องการความสุขข้างในต้องการอย่างไงเขาก็พาเขาเราเข้าไปไม่ได้เพราะเขาไม่มีพลัง เพราะเราไม่ใช้ความเพียรผู้ที่จะผู้ที่ปฏิบัติจะทำจะเจริญขึ้นมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือวิธีที่ถูกต้องอย่างที่สองคือความเพียรต้องสม่าเสมอมีอยู่สองอย่างแค่นี้ถ้าวิธีผิดความเพียรสูงก็ยิ่งหลงไปไกล ถ้าวิธีถูกความเพียรไม่มีก็เดินย่ำอยู่ที่เดิมจำคำนี้ไว้นะหลวงพ่อเพิ่นก็อธิบายดีดีหลวงพ่อไปใช่นะ่ะก็อันเดียวกันนั่นเลยพวกเราอย่าเป็นนักฟังเทศเฉยเฉยเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยให้ถูกวิธีพวกเรา ให้ความสำคัญเฉพาะร่างกายอันนี้เท่านั้นนะส่วนจิตใจพวกเราปล่อยให้เขาอยู่ตามยะถากรรมใช่ไหมพวกคุณเคยถามจิตใจของตัวเองไหมว่าหิวอะไรไหมหรือว่าสบายดีไหมเมื่อคืนนี้นอนที่ไหน เคยถามไหมเคยถามไหมไม่เคยไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมอาตมาอยากถามว่าพวกเราปลอดภัยกันหรื อ, อยัง พวกเราพ้นภัยกันหรื อ, อยังพวกเรานี้อยู่ในพวกเรารู้ไหมว่าพวกเราอยู่ที่ไหนพวกเรานี้ตกอยู่ก้นเหวแห่งกองทุกขซึ่งไม่มีใครช่วยใครได้เลยพอที่จะมองออกไหม ก้นหหวแห่งกองทุกนี้เต็มไปด้วยภัยพิบัตนานาประการแต่พวกเราก็ไม่ได้ตื่นตัวกับตัวเองเลยพวกเราไม่ได้ให้ความสนใจกับจิตใจตัวเองหนึ่งมาให้ความสนใจกับร่างกายซึ่งเขามีการเขามีเวลาของเขาอยู่นะ ใจิตใจนี้เขาไม่เคยตายเขาเป็นอมตะไม่เคยตายว่าเราเคยส่องกระจกไหมคนในกระจกคือใครคือเราใช่ไหมพวกเราเข้าใจผิดกันในเดียนนี้เนะ่ะ ร่างกายอันนี้เหตุมันเกิดที่ไหนเอะเหตุมันเกิดที่ไหนจะได้ร่างกายอันนี้มาเหตุมันเกิดที่ไหนมีใครเหตุมันเกิดที่ไหนทําไมหมามันไม่ได้ร่างกายมนุษย์มาทําไมมันได้ร่างกายหมามา เหตุเกิดที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตใจจากอดีตชาติไม่รู้ว่าเขาทำบุญอะไรไว้อาตมาอยากจะใช้คำว่าไม่รู้ว่าเขาหลงทำบุญอะไรไว้เอามารวมกันได้เป็นมนุษย์ พอดีเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างแต่ไม่รู้ว่าทําบุญเท่าไหร่เป็นผู้หญิงทําบุญเท่าไหร่เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเหตุเกิดตั้งแต่อดีตชาติได้มารับผลปัจจุบันชาติคือเป็นมนุษย์นั่งอยู่ตรงเนี้เพราะฉะนั้นร่างกายคือ ก้อนบุญจากอดีตชาติไม่ใช่เรานะก้อนบุญจากอดีตชาติร่างกายก็จิตใจก็มาสิงอยู่ตรงนี้ทีนี้นะทุกคนมีจิตใจสิงอยู่ในร่างกายของตัวเองจิตใจตอนนี้เขาไม่มีตัวตน เขาเป็นจิตบิญญาณเขาเป็นนามธรรมเขามาสิงสถิตยอยู่ตรงนี้สิงสถิตยอยู่ในร่างกายหญิงเขาก็ไม่ได้เป็นเพศหญิงนะสิงสถิตยอยู่ในร่างกายเขาก็ไม่ได้เป็นเพศชายจิตใจพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเพศไม่มีวัยแล้วก็เป็นสิ่งที่ ไม่เคยแก่ไม่เคยเก็บแล้วก็ไม่เคยตายระหว่างจิตใจกับร่างกายเขาสร้างมาเป็นร่างแล้วเขาก็มาสิงอยู่นี้ใช้กรรมอยู่ในเมืองมนุษย์ชั่วระยะหนึ่งก็จะหมดเวลาลงถ้าร่างกายอันนี้หมด สภาพหรือหมดเวลาลงจิตใจที่เป็นตัวของเราจริงๆก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องไปเกิดไปตายต่อไปเพราะฉะนั้นพวกเราให้ความสำคัญเฉพาะร่างกายเท่านั้นเรื่องของจิตใจพวกคุณไม่ได้ให้ความสำคัญเขาเลยเราทานข้าววันละกี่มือ้อ สามมื้อใช่ไหมเราเคยเห็นจิตใจของเราได้ทานอาหารที่ดีๆไหมทานตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทใช่ไหมเขาท่องเที่ยวอยู่นี่แหละเขาท่องเที่ยวอยู่ในดงของความคิดซึ่งเต็มไปด้วยบาปและบุญส่วนมาก พวกเราคิดบาปหรือคิดบุญมากวันหนึ่งหนึ่งพวกเราคิดกันกี่เรื่องอะเป็นแสนแสนเรื่องระหว่างแสนเรื่องในบาปกับบาปกับบุญอะไรมากกว่ากันบุญหนึ่งส่วนได้ไหมบาปอาจจะสามส่วน เพราะอะไรเพราะจิตใจของเราตกอยู่ในฐานะของความเป็นปุถุเข้าใจไหมคาว่าปุถุชนคือความหนาแน่นระดับของเขาอยู่ที่ไหนเขาก็ท่องเที่ยวไปตามระดับที่เขาเป็นสรุปแล้วคือบาปมากกว่าบุญใช่ไ้ยถ้าถามอย่างนี้แล้ว ถ้ารู้อย่างนี้แล้วอยากจะถามว่าถ้าพวกเราตายแล้วพวกเราจะไปไหนกันถ้าสมมุติว่าตายเดี๋ยวนี้เย็ยนนี้จะไปนอนไหนเอะแล้วเจแล้วก็จะไปเกิดที่ไหนต่อไป ไม่รู้ใช่ไหมถ้าบาปเยอะนี่มันก็ไปไม่พ้นอบายนะอบายมันก็มีอยู่สี่จำพวกสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกเราอย่าประมาทนะ อยประมาทนะโอกาสที่เราจะออกไปแล้วไปเป็นนั่นเป็นนี้เนี่ยมากกว่าที่เราคิดอยากจะเป็นโอกาสที่จะเป็นมากที่สุดถ้าตรงๆอ่ะตายจากนี้ออกไปนี่ไปเป็นหมาเลยนีมยงง้มีใครคิดยังไงอ่ะมีใครคิดยังไง เป็นได้เป็นได้เป็นได้แต่พวกเราเตะท่าในเมืองมนุษย์เฉลี่เกินเดี๋ยวนี้นะอย่าลืมว่าออกไปเรามีสิ่งป้องกันแล้วด้วยอย่างเราพ้นภัยกันด้วยอย่างเป็นได้เป็นได้ไดพระพุทธเจ้าอุทานเป็นได้นะ ใจิตใจอันเนี้ยเขาไม่มีชื่อจริงนามสกุลจริงเขาไม่มีญาติพี่น้องที่แท้จริงที่มาถึงเมืองมนุษย์วันนี้เขามาใช้กรรมคนที่มาถึงตัวเราวันนี้คือเจ้ากรรมในเวณตัวจริงเข้าใจไหมเจ็ดสิบกว่าล้านคนนี้เราเจอถึงสองพันคนหรื อ, อยัง คนที่ไม่มาคนที่มาไม่ถึงตัวเราคือไม่ได้สร้างบาปสร้างบุญร่วมกันไว้คนที่มาถึงตัวเรานี่คือคนสร้างบาปสร้างบุญด้วยกันมาจากอดีตชาติมาถึงตรงเนี้ยก็จะมาใช้การกรรมต่อกันและกันจบอยู่ตรงนี้แล้วก็จะพาคนต่างคนต่างไปพอนึกออกไหม เพราะฉะนั้นคนที่มาถึงตัวเราไม่ว่าพ่อไม่ว่าแม่ไม่ว่าสามีภรรยาไม่ว่าเป็นลูกเป็นหลานล้วนแล้วแต่เป็นเจ้ากรรมนายเวนตัวจริงทุกคนก็จะมีลูกกันทุกคนเนาะเราจ่ายให้ลูกไม่มีข้อแม้เลยใช่ไหม ต้องเอามาคืนนะต้องดอกเท่านั้นเท่านี้นะไม่มีใช่ไหมจ่ายด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นคยกว่าจ่ายให้เจ้ากมนายเวนจ่ายด้วยความบริสุทธิ์ใจคนที่มาถึงตัวเราคือเจ้ากมนายเวนบางทีมันแอบแฝงมาในเพื่อนสนิทก็มีใช่ไหม มีเยอะแยะเลยเพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่สนิทสนมกันคือเจ้ากรรมนายเวนตัวจริงมาใช้กรรมกันแล้วก็ต่างคนต่างไปเมื่อไรจะเจอกันอีกไม่รู้เนี่ยมันเป็นลักษณะนี้จิตใจดวงเนี้ยเขาไม่มีชื่อจริงนามสกุลจริงเขาไม่ได้ขึ้นกับแท่ไหนทั้งนั้นเขาไม่มีหลักฐาน ที่มั่นคงอยู่พบใดพบหนึ่งแน่นอนมาอยู่เมืองมนุษย์อยากจะอยู่สักสองพันปีก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องไปตามอายุไขหมดอายุไขแล้วก็จำเป็นต้องไปการไปไม่ใช่ไปเรื่องอะไรไปเกิดแล้วก็ไปตายเท่านั้นพอนึกออกไหมแต่ทีนี้ พระพุทธเจ้าบอกว่าเอมนุษย์เนี่ยเขาสร้างบุญไวจากอดีตชาติจนได้มาเป็นมนุษย์มาถึงเมืองมนุษย์แล้วมาเจอศาสนาคำสอนคำว่าศาสนานี้เป็นสิ่งที่เจอยากที่สุดคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่จะได้ยินได้ฟังยากที่สุดเขามาเจอกันแบบเต็มๆแต่เขาก็ไม่ค่อยเอากัน การตายของมนุษย์เมื่อตายแล้วรู้สึกว่าลงไปในอบายภูมิมากที่สุดพระบุทธเจาอุทานนะ่ะมากที่สุดมากขนาดไหนมนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยลงไปในอบายภูมิเท่ากับขนโคได้ขึ้นสวรรค์เท่ากับเขาโค พวกเราแน่ใจแล้วเหรือว่าเป็นหนึ่งในสองพวกเราแน่ใจแล้วเหร อ, นหน อ, รหรอทีนี้เรามาสาวหาเหตุดูสาวหาเหตุก็ได้รับคาตอบ่ามนุษย์ไม่ค่อยสนใจในคุณงามความดีมนุษย์ไม่ค่อยสนใจในศีลในธรรม พอตายไปแล้วเขาลงไปในอบายภูมิมากที่สุดบางจําพวกก็ไปเป็นเปรตบางจําพวกก็ไปเป็นอสุรกายบางจําพวกก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบางจําพวกโตกนรกหมกไหมกันอยู่ตุมเลยพวกเราท้นภัยจากตรงนี้กันหรื อ, อยัง พวกเราขาดศิลขาดทำขาดความซื่อสัตย์นเดี๋ยวนี้นะพวกเราปล่อยเนื้อปล่อยจิตใจของตัวเองให้ละเลงอยู่กับวัตถุสิ่งของขา้าวของเงินทองเพลิดเพลินอยู่กับความเจริญของโลกอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้จนลืมศิลลืมธรรม ศาสนาก็เลยเอากองไว้ในบ้านไม่มีความสนใจเลยจะไหว้พระสักหน่อยนึงก่อนนอนก็ไม่ได้จะไหว้พระสักหน่อยนึงก่อนตื่นนอนมาแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุนละทรัพย์อริยทรัพย์ตรงนี้ก็เลยไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดแล้วการตายของพวกเราก็ลงไปในอบายมากที่สุดพวกเราไม่สงสารตัวเองเหรอ สงสารตัวเองไหมถ้าสงสารแล้วก็ศีลธรรมเราเอาไปไว้ที่ไหนจริยธรรมวัฒนธรรมพวกเราเอาไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธกับชาวพุทธรู้สึกว่าเขาหันหลังให้กันแล้วพวกเราถึงจะถือศาสนาพุทธก็ถือเฉพาะทะเบียนบ้านเท่านั้นวิถีความเป็นพุทธในความเป็นอยู่ของเราไม่มีเลย ไม่มีความเป็นศีลเป็นธรรมอยู่ในนั้นเลยเดี๋ยวนี้พวกเราหันหลังให้ศาสนาพุทธจะพูดจะคิดอะไรก็ตามใจตัวเองไม่มองหลักธรรมไว้เป็นหลักเลยถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ถือ ก, กับว่าพวกเราเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเส่เลยนะ วิถีพูดพวกเราเอาไปไหนต้องมีทานมีศีลมีภาวนาถึงจะสืบมรดกของพระพุทธเจ้าให้ยาวไกลไปถึงลูกถึงหลานของพวกเราได้ก็คืออันนี้แหละแต่พวกเราฟังเทศเฉยๆก็ไม่ปฏิบัติมันไม่เกิดนะ พระพุทธเจ้าก่อนเสด็จเข้าปรินิพานพระพุทธเจ้ามอบศาสนาให้พุทธบริษัททั้งสี่นี้เป็นผู้รักษาศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนานะศาสนาจะเจริญขึ้นก็อยู่กับคนสี่คนนี้แหละศาสนาจะเสื่อมลงก็อยู่กับคนสี่คนนี้แหละการรักษาศาสนารักษากันแบบไหน ไม่ให้คนเข้าวัดเลยเหรอปิดประตูวัดเงียบสนิทหรือว่าล็อกตู้พระไตรปิฎกเลยไม่ให้ใครอ่านไม่ใช่อย่างนั้นนะการรักษาศาสนานี่ต้องทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้มีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาพอเข้าใจไหมทานก็มีศีลก็มีสมาธิก็มีนั่นคือการรักษาศาสนาน พระพุทธองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีพุทธธรรมนายว่าศาสนาจะอยู่ได้แค่ 5,000 ันปีอันนี้มันไม่บาลานกันเลยการปฏิบัติตนที่จะใช้เวลาเป็นพระพุทธเจ้าสี่อสงไขยแสนมหากรัมมาตรัสรู้แล้วทำไมมามีพุทธธรรมนายว่าจะอยู่ได้แค่5 0 0พันปีก็พวกเรานี้เองพวกเรานี้เอง เดี๋ยวนี้ศาสนามันหล่นไปหลุดไปแหลมไปเลียวไปถึงผู้ถือไม่ตั้งใจสลัดทิ้งมันก็หลน่นเดี๋ยวนี้พวกเราเทใจไปให้กับยุคสมัยไปแล้วโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ใจิตของพวกเราก็ได้ไปอยู่ตรงนั้นจะมาปฏิบัติธรรมจะให้รู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยโอ้มันเป็นการยากมันเป็นการฝืดเครื่องอัตมารู้นะว่าพวกที่มานั่งอยู่ตรงนี้เขาสร้างบุญไว้ระดับหนึ่งเขาตั้งใจจะมาต่อบุญตรงเนี้ให้สูงขึ้นแต่ความเจริญของโลกมันมาบล็อก พวกเราให้ติดอยู่หลงอยู่ทำก็อยากจได้วัตถุสิ่งของก็อยากจะเพลิดเพลินยาพวกเราเสียเวลาอยู่ตรงนี้มันเป็นลักษณะนี้นะ่เดี๋ยวนี้พระมาติดอยู่กับศาสนาวัตถุสร้างวัดแข่งกัน ยมมาติดอยู่ศาสนาการให้ทานซึ่งเป็นสองอย่างเนี่ยซึ่งเป็นบุญระดับต่ํามากไม่สมฐานะของตัวเองพระติดอยู่กับวัตถุศาสนาธรรมก็หมดคุณค่ายมมาติดอยู่กับการให้ทานศาสนศีลศาสน า, สนส า, สนาภาวนาพวกเร า, เาไปไหน การให้ทานศาสนาพิธีก็เลยงอกขึ้นศาสนะใจก็เลยไม่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นสั้นๆมันมีเวลาไม่เยอะสั้นๆพวกเรามาหลงกายอันนี้ว่าเป็นเราก็เลยประครบประงมกันเต็มที่ เราจะเลี้ยงดูปูเสือเขาอย่างไรดีขนาดไหนก็ช่างเถอะเขาไม่ฟังเราเขามีหนทางของเขาอยู่แล้วจะให้อาหารเขาระดับพัตนาคารทุกมือ้อทุกวันแล้วก็ทุกมือ้อก็ไม่ฟังเขามีหนทางของเขาอยู่ร่างกายอันนี้ให้ฟังชัดๆนะหนทางของเขาเขาไปไหน เขาเกิดแล้วเขาต้องแก่เขาต้องเก็บเขาต้องตายเขาไม่ฟังใครทั้งนั้นเขาไม่ฟังใครทั้งนั้นคุณจะเลี้ยงดูเขาก็ดีขนาดไหนไม่ให้ทาการทํางานเลยนอนในห้องแอร์เวลามันร้อนๆเวลามันหนาวก็ประครบประงมด้วยวิธีการให้เขาอบอุ่นจนหน้เนี่ยเขาไม่ฟังเขาไม่ฟัง เขาต้องเกะต้องเก็บต้องตายแล้วก็การบำรุงรักษาร่างกายนี้ใช้ทุนทรัพย์มากที่สุดพวกคุณรู้ไหมว่าพวกคุณกินข้าวหมดคนละกี่กระสอบแล้วถึงวันนี้คํานวณไม่ได้ใช่ไหมค่าบำรุงรักษาไม่เคยคิดแต่คํานวณไม่ได้ สูงมากการดูแลรักษาเขาสูงมากภาระภารูกับร่างกายอันนี้รู้สึกว่าเป็นภาระที่หนักหน่วงนะว่าพระพุทธเจ้าอริยเจ้าตรัสจะพาเขาถ่ายหนักถ่ายเบาจะพาเขาหลับเขานอนจะพาเขาอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวถ่ายหนักถ่ายเบาซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ซื้ อ, อ, อ, อเครื่องแต่งหน้าซื้ออ้เยอะ เยอะมากสูงมากแต่สุดท้ายเขาตายเขาอยู่ได้เพราะข้าวสุปราตายเขาอยู่ได้เพราะโภชนะอาหารยารักษาโรค ส่วนจิตใจนะ่ะพวกเราไม่เคยถามเขาเลยว่าเขานอนที่ไหนเขากินที่ไหนเขาเที่ยวที่ไหนเขาทำงานที่ไหนซึ่งเป็นตัวของเราจริงๆพวกเราปล่อยเขาไว้ตามยถากรรมนะเราไม่เคยบำรุงรักษาเขาเลยจิตใจดวงนี้เขาไม่กินก๋วยเตี๋ยวกาแฟ การบำรุงรักษาเขาไม่ได้ใช้เงินสักสลึงเลยนอกจากเขาจะไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายแล้วเนี่ยเขาไปได้ทุกที่เขาไปได้ทุกที่แล้วก็ไม่มีหนทางที่ตายตัวพื้นที่อยู่อาศัยเขาก็ไม่ได้ เขาอยู่ไหนก็ได้เขาไม่เปลืองสถานที่อยู่อาศัยไม่เปลืองอาหารไม่เปลืองเครื่องนุ่งห่มต่างๆการบำบุงรักษาเขาน้อยมากแต่ศาสนาเนี่ยแป0 0มืนสี่พันพระธรรมขันเนี่ยพระพุทธเจ้าเอาจิตใจเ ป, เป็นเป้าหมายสำคัญทั้งหมดเนี่ยรวมเข้าไปยิง เข้าไปสู่จิตใจเลยทำไมถึงเอาจิตใจเป็นเป้าหมายสำคัญเพราะจิตใจของสัตว์มนุษย์เนี่ยจะได้รับประโยชน์อันสูงสุดจากศาสนาก็คือเป็นพระอรหันต์ได้ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงพระพุิธเจาเลยเอาเป้าหมายที่สำคัญคือจิตใจ ให้พวกเรารักษาจิตใจาศาสน า, สาศาสนาสานินสอนให้พวกเรารักษาใจตรงกันข้ามกับพวกเราคิดไหมตรงกันข้ามไหมแต่พวกเราทิ้งส่วนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นจุดสำคัญอ ะ, อะไรจะเกิดขึ้น ชาติหน้าใกล้ๆนี่แหละถ้าลมไม่เข้าไม่ออกเดี๋ยวนี้ชาติหน้าทันทีนะใกล้ๆนี่แหละพวกเราจะไปไหนกันพอตอบได้ไหมพวกเราจะไปไหนกันเขาไม่มีญาติพี่น้องนะ แล้วก็ขอบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความหวังว่าจะไปเอานั้นเอานี้ไม่มีสิทธิ์ในโลกนี้โลกวัฏจักรอันนี้ไม่มีสิทธิ์เลยว่าจะไปเอานั้นเอวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี พอร่างกายอันนี้หมดสภาพลงความเป็นเศรษฐีก็ต้องคืนให้เขาไปเอาอะไรออกจากเมืองมนุษย์ไปไม่ได้สักชิ้นเดียวใครจะหยิบอะไรออกไปไม่ได้เพราะมันเป็นสมบัติโลกทีนี้สมมุติว่าเราตายจากเมืองมนุษย์แล้วเป็นอินเป็นพรหม หมดเวลาจากตรงนั้นมาเราหาบเงินหาบทองมาไหมมามือเปล่าเหมือนกันไปเกิดพบไหนชาติไหนหพวกเราจำไว้ออกจากพบนั้นๆไม่มีได้อะไรสักอย่างมาเลยดังนั้นอยากจะบอกพวกเราว่าจิตดวงเนี้ยเขามีหน้าที่ไปเกิดไปตายเฉย เขาไม่ได้มีหน้าที่จิตไปเอานั้นเอานี้ในเมืองมนุษย์เนี่ยวัตถุสิ่งของเข้าของเงินทองกองมาเลือนเทินทึกเวลาตายแต่ละคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์หยิบอะไรสักชิ้นเดียวเลยเอาไปได้เฉพาะบาปกับบุญแต่พวกเราวิ่งตามยุคตามสมัย เทใจไปให้ยุคให้สมัยจนลืมสร้างบุญให้กับตัวเองดังนั้นเวลาตายไปมันถึงลงไปในอบายภูมิมากที่สุดสงสารตัวเองไหมทํำยังไงเราจะมีเบรกเบรกตัวเองไว้ให้ตัวเองสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเอง เราว่าอายุขนาดพวกเราเนี่ยมันน่าจะสรุปได้แล้วนะว่าพอหรือไม่พอพระพุทธเจ้าและอริยเจ้าบอกนักบอกหนาสั่งนักสั่งหนาว่าให้เราสร้างบุญก่อนตายทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะคนมีบุญออกจากเมืองมนุษย์ไปเขาสบายบุญนี้สามารถที่จะป้องกันให้ตัวเองไม่ได้ลงไปในอบายได้ส่วนหนึ่งแล้วก็จะงเป็นส่วนที่จะผลักดันให้เราไปเกิดพบภูมิที่เราปรารถนาที่อยากจะไปได้ถ้าไม่มีบุญเสี้ยจุดเดียวคือจบ เราเคยได้ยินไหมคำว่าสัมภเวสีไม่ได้กินอะไรเลยนะท่องเที่ยวไปด้วยความหิวความโหยโอดครวนไปเพราะลืมทำบุญดังนั้นอยากจะบอกพวกเราชัดๆเจนๆว่าบุญบุญที่พระพุทธเจ้าอริยเจ้า ต้องการให้พวกเราทำเนี่ยมันมีอยู่เฉพาะเมืองมนุษย์ที่เดียวถ้าเราหมดเวลาออกไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาทำได้หรือว่าพวกเราเชื่อใจลูกหลานที่เขาจะอุทิศให้พวกเราตายใจกันตรงนี้เหรอไม่ทำลูกหลานเรายุคต่อไปเขาไม่รู้จักวัดแล้ว เขาไม่รู้จักการให้ทานแล้วถ้าเราไปเป็นสัมภเวสีเราจะไม่ร้องไห้ตลอดภพตลอดชาติเหลอด้วยความหิวไม่เคยตายนะหิวก็ไม่ตายแต่ทรมานตนไปตลอดเวลาพอกเราสงสารตัวเองไหมอยากจะบอกว่าถ้าบุญไม่พออย่าเพิ่งตายนะเพราะ ความทุกข์นอกเมืองมนุษย์เป็นความทุกข์ที่ไม่มีใครช่วยขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ลูกก็ไม่ไปหลานก็ไม่ไปสามีก็ไม่ไปภรรยาก็ไม่ไปการมาเรามากี่คนมาคนเดียวเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ถืออะไรมาสักอย่างพูดก็ไม่เป็นเดินก็ไม่เป็นต้องมาประคอบประงมกันนานแสนนานถึงจะ รู้เรื่องของพวกนี้ที่พวกเราไม่ได้คิดเลยก้อนบุญอันนี้กำลังจะขาดทุนไปแล้วถ้าเราไม่สร้างความดีต่อก้อนบุญอันนี้ขาดทุนสมมติว่าขาดทุนอ่ะออกจากเมืองมนุษย์ไปไปเป็นเปรตเลยขาดทุนไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นลงอบายเอาขาดทุน ถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเอาได้ทุนคืนถ้าไปเป็นเทพ บ, บุตรเทวดาเอาได้กำไรน้อยหนึ่งพวกเราคำนวณดูสิว่าได้กำไรหรือขาดทุนพอที่จะนึกออกไหม แต่ก็บอกไว้คำหนึ่งนะว่าบุญไม่พออย่าเพิ่งตายนะทุกมากทุกมากอย่าไปรอเขาลูกหลานเราอยากจะใช้คำหนึ่งคนที่ว่าเราจะเป็นผู้ไปรอสังฆทานหรือว่าจะทำให้พอแล้วค่อยไป ถ้ารอถ้าเป็นผู้ไปรอสังฆทานนี้จะขาดทุนนะถ้าพวกเรามีหูทิพตาทิพพวกเราจะเห็นจิตวิญญาณแต่และดวงเอาถังเหลืองๆห้อยศอกอวดกันกระตึมเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรจะกินได้เลยอยู่ในนั้นนะลูกหลานเขาอุทิศไปให้จำเป็นก็ต้องรับไปเขาใช้ความมากง่าย เพราะฉะนั้นบุญที่สมบูรณ์เข้าหมอ้อแกงหมอ้อทำให้ถูกพิธีถึงจะอุทิตไปได้เพราะฉะนั้นเราอย่าหวังผลบุญอุทิตมากกว่าบุญที่ตัวเองทำแล้วค่อยไปเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าร่างกายกับจิตใจร่างกายอันนี้เขาตายนะเขาเขาเปราะบางมาก แค่ยุ่งกับตัวเล็กๆกัดมันก็โอ้โหเจ็บแล้วมดกัดมันก็เจ็บแล้วถ้ามันนอนคืนนี้ตื่นเช้ามาลุกไม่ได้แล้วก็ยุ่งเลยนะเขาเป็นไปได้อันเนี้ยเขาเป็นไปได้อย่าไปเชื่อใจมันมากระยะมันคล่องตัวอยู่เนี้ยให้พวกเรา รับผิดชอบกับหน้าที่สามีภรรยาแล้วก็หาอยู่หากินให้ถูกศีลถูกธรรมการปฏิบัติธรรมหรือว่าการให้ทานรักษาศีลจรเดินสมาธิภาวนาอย่าให้ขาดถ้าเราทำตรงนี้เราจะเป็นผู้มีกำไรนะแต่อัตมาอยากจะขอร้องพวกเราอย่างหนึ่งว่ามาถึงขนาดนี้เจอศาสนาขนาดนี้ จะมาว่าไม่น่าปล่อยตัวให้หลุดมือไปเลยนะชาตินี้ยังไงก็เขี่ยวคนเข็นให้มันจบในภพนี้ชาตินี้เลยในการบำรุงรักษาใจครอสบัดดอยมีนะทุกเดือนบำรุงรักษาใจถ้าเราทำความสะอาดจิตใจของเรา ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ในชาตินี้ชาตินี้แหละคือชาติสุดท้ายของเราไหวไหมไหวเราไม่รักตัวเองใครจะมารักรักตัวเองด้วยการขัดเกลีจิตใจให้ผ่องใสมันโกรธไม่ต้องโกรธมันชอบไม่ต้องชอบมันไม่ชอบเอาให้มัน ดัดจันดานมันไปเรื่อยมันง่วงไม่ต้องนอนมันไม่ง่วงนอนเอามันอยู่เนี้ยนี่คือการทรมานจิตใจใครกลัวผีบ้างยกมือใครกลัวผีบ้างยกมือใครไม่อยากตายบ้างยกมือ ไอ้ตัวที่ไม่อยากตายอะ่ะตัวที่พูดว่าไม่อยากตายนี้คือจิตใจนะเขาหลอกเราทาั้งๆที่เขาไม่เคยตายการตายไม่ใช่เรื่องจิตเรื่องกายจิตเดียวนี้ยเขาผสมประสานกับร่างกายจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าจิตไม่มีกายเขาเรียกอะไร เขาเรียกอะไรผีถ้ากายไม่มีจิตเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนี้เขามารวมกันเขาเรียกว่ามนุษย์ใช่ไหมชายหญิงพวกเรามาบุกบมุกบม น, มนกับร่างกายที่เขาจะเอาไปเผาเนี่ยเป็นส่วนมาก เรื่องของจิตใจพวกเราไม่เคยเข้าไปดูเขาเลยว่าสาเหตุอะไรเขามีความโกรธความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเมรอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขามาหลายภพหลายชาติเราไม่ได้ศึกษาเฉยเยเมื่อมันเกิดกับกจิตใจของพวกเราแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปรู้เท่ารู้ทันมาอ้ออันนี้มันเป็นธรรมชาติเขามาตั้งนานแล้ว ถ้าเขาเราเขาไปรู้แค่นี้นะ่ะเขาหยุดเลยเขาหยุดเลยแต่พวกเราไม่เคยเข้าไปดูซักทีเลยเขาโกรธก็ให้ปล่อยให้เขาเสพอารมณ์โกรธอันนั้นจนอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงแล้วก็ออกจากจิตใจไปเฉยเฉยไม่ได้เข้าไปรู้เลยว่าสาเหตุอะไรเกิดอะไรขึ้นเคยเห็นตัวเองโกรธไหม สัตประดาดกำลังจะเกิดขึ้นกับเราแล้วใช่ไหมเนี่ยพวกเราไม่เคยเข้าไปดูเขาเลยสังเกตเขาเลยว่าถ้าเราไปรับรู้ว่าเป็นธรรมชาติของเขา <c oughs> ขเขาๆๆๆๆลดหายเลยนะพวกคุณเราให้สิบครั้งถ้าเข้าไปดูถึงสิบครั้งนี่เขาจะไม่มีอีกเลย เราเนี้ครั้งเดียวขาดกระจุย้ยวุ้ยแหลกเลยพวกคุณนี้เราให้สิบครั้งพวกคุณตั้งสติก่อนถ้าพวกคุณมีความโกรธตั้งสติดีๆก่อนแล้ว ล, ลึกเข้าไปดูเลยมันเป็นอาการที่ไม่น่าดูมันเป็นอาการที่ไม่น่าฟังความโกรธเกิเดขึ้นเพื่อคุณอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิด อย่าเพิ่งคิดถ้าพวกคุณถ้าพวกคุณคิดเนีย่ยพวกคุณคิดผิดทันทีนะถึงกับคําพูดออกมานี่พูดผิดทันทีเพราะมันเป็นไม่ปกติทั้งหมดแล้วถ้าเราใช้ตรงนั้นเนี่ยความผิดปกติจะออกมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นให้พวกเราใช้สติหยุดตัวเองเสียก่อนแล้วก็เข้าไปดูพอเราเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยมันลถฟูลงเลย โทษแบบเห็นเห็นเลยนะคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เอาความโกรธมารวมกันในเท่าอาตมาคนเดียวไม่เท่าอาตมานี่เป็นผู้ที่มักโกรธมากที่สุดเลยนะโรคธาตุนี้แทบว่าจะครึ่งหนึ่งแล้วนะมาลดกันได้ยังไงมาอาตมานี่เข้าไปสังเกตการดูเวลามันโกรธขึ้น พอเรามีสติเข้าไปดูแค่ดันแหละมันลดฟูดลงสบายเลยถ้าพวกคุณทำได้อย่างนี้สิบครั้ง้พวกคุณจะสบายไปเลยพอที่จะไหวไหมเพื่อตัวเองถ้าเราเอาจุดนี้ได้ จุดอื่นๆก็อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงแล้วมากำหนดดูจิตของตัวเองดึงเขาออกจากดงอารมณ์แล้วก็เอามาไว้ที่กายเขาเรียกว่ารักษาใจเดี๋ยวนี้จิตใจของพวกเราเป็นนักเสพติดทางอารมณ์ซึ่งเขาช่วยตัวเองไม่ได้เลย ผู้ที่จะช่วยได้ก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของอยู่เดี๋ยวนี้ช่วยได้เฉพาะมีชีวิตอยู่เท่านั้นตายไปแล้วนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยกันได้เดี๋ยวนี้เครื่องมือที่จะเข้าไปเอาจิตใจออกจากดงอารมณ์มาไว้ที่กายพร้อมแล้วแต่ศรัทธาของพวกเราไม่ถึง ศรัทธาน้อยความเพียรน้อยศรัทธามากความเพียรมากศรัทธาไม่มีความเพียรไม่มีศรัทธ า, าของพวกเราอยากจะฟังเทศเฉยๆไม่มีศรัทธาที่จะผลักดันให้ตัวเองรู้ความรู้สึกให้ปฏิบัติปรอเลยไม่มีศรัทธาใหญ่ๆที่จะมาผลักดันให้เรารู้ลมหายใจของตัวเองอยู่ตลอดเลยแทบเดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้น ศรัทธาใหญ่ความเพียรใหญ่นะศรัทธาที่จะมาผลักดันให้เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นต้องปลูกศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากพอเข้าใจไหม ถ้าพวกคุณสงสารตัวเองพวกคุณอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาใส่ใจของตัวเองจะเป็นดีที่สุดพวกเราไปคว้าเอาเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องมาเดือดร้อนตัวเองมากกว่าการที่จะรู้ใจตัวเองนะเดี๋ยวนี้นะ เพราะฉะนั้นตัดให้แคบเข้ามาแคบเข้ามาเรื่องคนอื่นสิ่งอื่นถ้าไม่ใช่นนับผิดชอบของเราตัดกว้างไปเลยมาอยู่กับความรู้ของความเป็นจิตใจของตัวเองจริงๆให้มันใกล้เข้ามาให้มันหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจนให้เขาเป็นเอกคตาจิตเขาจะเป็นจิตที่มีอิสระมากที่สุดตรงนี้ลนะ่ะเขาจะช่วยเราได้ เราช่วยเขาเขาจะช่วยเราเราไม่ช่วยเขาเขาไม่มีสิทธิ์คนที่จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เราได้คือจิตดวงนี้จะ ต, ต้องฝึกหัดเขาเดี๋ยวนี้เขาเป็นนักเสพติดทางอารมณ์แต่ถ้าเราฝึกเขาไม่ได้เขาก็หาความสุขที่แท้จริงให้เราไม่ได้เลยคนคนนี้คนเดียวที่จะเอาความสุขที่แท้จริงมาให้เราแต่ต้องฝึกเขาในศีลในธรรม การฝึกการอบรมตัวเองนั่นคือการปฏิบัติธรรมเข้าใจไหมคนคนเดียวนั้นละ่ะเป็นทั้งผู้ถูกสอนแล้วก็เป็นผู้สอนไปด้วยเคยไหมทีนี้ฝึกให้เรารู้จักจิตใจจิตใจของพวกเราเราเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้ามี จิตใจไปด้วยมยจิตใจไปด้วยไหมสติไปไหมสติของพวกเราอยู่ที่ไหนอะสติของพวกเรานี้จะมาตั้งแต่เฉพาะเหตุการณ์ถุกเฉินเท่านั้นสมมุติว่าเราขับรถจะเฉียวกันสติมาทัานทีให้เราปฏิบัติหน้าที่ ในเหตุการณ์นั้นๆให้รอดพ้นไปใช่ไหมถึงเขามาเราก็ไม่รู้ว่าเขามาเสร็จภารกิจเขาก็ไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเพราะฉะนั้นสติจะมาก็ในเมื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น ถ้าเหตุการณ์ไม่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือว่าเราคิดเรื่องการเรื่องงานเขาก็จะมานิดๆหน่อยๆเขาก็จะไปสติตัวนี้เขาออกไปแล้วเขาก็จะไปนอนอยู่เฉยๆเขาไม่ได้ทํางานอะไรเลยรอเวลาที่จะฉุกเฉินเท่านั้นที่จะเข้ามาช่วยเราทีนี้จิตของพวกเราอยู่ที่ไหนจิตของเราติดการเสพอารมณ์อยู่ข้างนอก สมมติว่าเราเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าสติกับจิตไปกับเราไหมไปไหมไ<ป>สติเนี่ยเป็นพระเอกในการปฏิบัติจิต แต่ต้องฟังคำสั่งจากสมองถ้าเราตั้งสติสมองต้องเป็นตัวสั่งสติถึงจะมาอยากทราบว่าเราเดินในห้างสรรพสินค้ามีสติแล้วก็มีจิตใจไปด้วยไหมมีแต่เขาไม่ได้อยู่กับเรา ใจิตใจมันก็จะอยู่ด้านซ้ายมือห่างๆสติมันก็จะอยู่ด้านขวามือห่างๆสมมุติว่าพวกเราต้องการซื้ออะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งสองตัวนี้จะวิ่งมาบวกกันเลยว่าจะเอาหรือไม่เอาถ้าเราซื้อจ่ายเงินเสร็จสองตัวนี้ก็ดีดออก ทีเนี้ยเราจะเอาสติกับจิตมาบวกกันเราจะเอามาบวกกันได้ยังไงถ้าพวกคุณตั้งสติเขาบวกกันทันทีนะถ้าพวกคุณตั้งสติอะมองหน้าพระพุทธรูปทั้งจิตและสติของพวกคุณก็อยู่ตรงนั้นทันที ถ้าพวกคุณตั้งสติจิตเนี่ยกับเสพอารมณ์อยู่ที่ไหนเขาก็จะทิ้งมาเลยทิ้งมาแล้วก็มาบวกกันกับสติแล้วพวกเราจะเอาไปตั้งไว้ที่ไหนเมื่อเขาบวกกันแล้วใครเรียนหลวงพ่อบิลลี่ยังยกมือ หรงพ่อไม่ได้ยังกำหนดฐานที่ตั้งให้กี่จุดสามเหรอห้ามีจุดไหนบ้างหน้าผากปลายจมูกหัวใจซวงอกหน้าท้องนี่นี่นี่สำคัญมันตรงนี้ ถ้าเราตั้งสติปุ๊บเขาบวกกันทันทีเนะี่ยเขามาเจอกันทันทีเราจะตั้งฐานที่ตั้งของเราไว้ที่ไหนแต่อาตมานี่เอาไว้ตรงอกนะเราไม่รู้จักฐานจากเถือนอะไรดอกภาวนาแต่ก่อนแต่เรากำหนดไว้ตรงนี้พอนานๆเข้าออกจากป่าจากดงมามาศึกษาแล้วก็เลยอ๋อคงหลวงพ่อก็มีฐานนอก สติฐานสี่ก็มีฐานเราก็เลยอืเราทำมาก็ไม่ผิดนะเราเอาไว้ทรงอกสำคัญตัวของพวกเราจะกำหนดฐานที่ตั้งไว้ที่ไหนสมมุติว่าพวกเรากำหนดไว้ที่ทรงอกตั้งสติปุ๊บสองตัวนี้มาบวกกันพับ ให้พวกคุณกําหนดไว้ว่ามาตั้งไว้ช่วงอกเลยตั้งไว้ที่ฐานของแต่ละคนนั่นแหละอ่ะพอเข้าใจไหม <c oughs> คนที่กําหนดหน้าผากก็เอามาตั้งไว้ที่หน้าผากให้รู้สึกอยู่รู้สึกอยู่ยหลวงพ่อวิทยังท่านจะบอกว่าไป ห, หาผู้รู้ก่อนนะ หาผู้รู้การภาวนาต้องไปหาผู้รู้ก่อนนะแต่ของเราให้พวกคุณเอาผู้รู้ไปตั้งไว้ที่ฐานเลยสติบวกกับจิตนี่แหละคือผู้รู้เข้าใจไหมไม่ได้หายากตัวนี้ไม่ได้หายากเราบอกพวกคุณให้รู้จักกับผู้รู้ผู้รู้ทันทีจิตใจออกจากสติกับจิตออกจากกัน ไม่ใช่ผู้รู้นะจิตใจตัวนี้เขาจะเป็นาธาตุรู้เขาไม่รู้บาตรู้บุญถ้าเขารู้บาตรู้บุญเขาไม่กโกรธใครหรอกเขาไม่รู้บาตรู้บุญบาปเขาก็เสบุญเขาก็เสบถ้าจะให้เขารู้บาตรู้บุญเนี่ยเขาบวกด้วยสติมันจะเป็นบาปเป็นบุญออกมาความระมัดระวังตัวก็มีทันทีทีเนี้ยถ้าเราเ ล, ลือกมาบวกกัน จิตกับสติบวกกันเป็นความรู้สึกความรู้สึกเมื่อเอาไปตั้งไว้ที่ฐานให้ทำความรู้อยู่ในความรู้สึกอยู่นั้นคือภาวนาโดยตรงเข้าใจไหมเนอะเข้าใจไหมเนอะอันนั้นตัวของเราจริงๆนะที่นั่งอยู่เนี้ย ไม่ใช่เขาหมดสภาพลงวันที่เขาจะหมดสภาพหมอที่ดีก็จะไม่ดีในวันนั้นล่ละสำหรับเรายาที่ว่า ด, ดีที่สุดก็จะไม่ดีในวันนั้นละสำหรับเราถ้าอยู่โรงพยาบาลหมอก็จะพูดแบบเห็นแก่ตัวมากนะสูตรความพิสัยสูตรพิสัยของหมอแล้วนะเอากลับบ้านเถอะ เอากลับบ้านก็ไปนอนไว้เฉยๆแหละเวลาข้าวเที่ยงเขาก็จะเอามาป้อนเวลาข้าวเย็นเขาก็จะเอามาป้อนเขาก็จะเช็ดตัวให้ตามธรรมดานี่แหละแต่ถึงวันตายจริงๆญาติของเราจะนั่งห้อมร้อมอยู่ก็ตายต่อหน้าต่อตาลูกๆห ล, ลานๆเน้นนะใครอุ้มอยู่ก็จะตายขามือคนนั้นแหละถึงวันตายเนี่ยไม่จำเป็นต้องฆ่าเลยเขาตายเองได้ได้ เพราะฉะนั้นพวกเรามาให้ความสำคัญตรงนี้มากกว่าจิตใจพวกเราจะไปไม่ถึงหลักชัยนะจะบอกให้ถ้าสงสารตัวเองจริงๆศึกษาเรื่องของความเป็นจิตใจเธอกำไรที่จะได้ควรจะทำยังไงเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอยู่ในระดับขาดทุน ตั้งแต่วันนี้ให้ตั้งใจเสียนะถึงเราไม่บอกถึงคุณไม่บอกเราก็ตัดสินใจให้ได้ว่าขาดทุนลงทุนในพุทธศาสนารับรองได้อัตมารับรองให้เลยว่าไม่มีสิ่งขาดทุนให้ทานบาทหนึ่งสลึงหนึ่งไม่มีคําว่าขาดทุนลงทุนในการให้ทานลงทุนในการรักษาศีลลงทุนในทาง จเจริญสมาธิวามนา ร, รับรองว่าไม่ขาดทุนแต่พวกเราหันหลังให้กับศาสนาไปเสียแล้วเดี๋ยวนี้อยากจะให้พวกเรามองมุมกลับเข้ามาหาศาสนาจะเห็นตัวเองชัดเจนเลยว่าได้กำไรหรือขาดทุนพอเข้าใจไหมเราสงสารพวกคุณนะ เป็นคนที่สนใจฝักไฝในศีลในธรรมแต่ก็ไม่ค่อยเป็นไปใช่ไหมวิธีการไม่ถูกมกั้งความเพียรไม่พอเวลามันก็น้อยลงน้อยลงแต่ไม่รู้ว่าเหลืออยู่กี่วัน ไม่รู้ว่าเลืออยู่กี่วันแต่พวกเราก็เพลินอยู่กับวัตถุสิ่งของข้าวของเงินทองนี้รู้สึกว่าเป็นอาการที่ประมาทมากที่สุดพวกเราทั้งหลายให้พวกเรามองตัวเองให้จริงๆคือจิตใจ ทำยังไงเขาจะพ้นภัยในทางความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทเข้าสู่ดินแดนของความเป็นอมะตะธรรมถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่เข้าไปช่วยเขาไม่มีทางตั้งแต่วันนี้ตั้งใจศึกษาเรื่องของจิตใจเสียนะโลภโกรธหลงเป็นสมบัติของจิตใจแต่ละดวงถ้าเราไม่สนใจ เขาแสดงอาการออกมาไม่ได้หรอกสุดท้ายเขาก็หลุดออกไปเองพอไหมเวลาหมดแล้วนะเราสงสารพวกคุณก็สงสารนะอยากจะพูดสักถึงหกโมงเย็น <laughs> แต่มันก็เป็นภัยไม่ได้ไง ยังจิตใจเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยถ้าเข้าเรื่องจริงๆอ่ะแล้วแต่มาเทศอยู่หลวงงานหลวงพ่อวิชัยนี่จบไปเลยนะจบไปเลยจบไปเลยเหลือจิต ด, ดวงเดียวพวกคุณรอใคร เดี๋ยวนี้จิตใจแต่ละดวงขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นเจ้าของอยู่ตลอดเวลาช่วยด้วยช่วยด้วยเรานี้ช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยเราด้วยเราติดเสพติดทางอารมณ์ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเราก็ไม่เข้าไปช่วยเขาสักทีเลยอาจจะมาฟันทงไว้ก็ได้วันตายไม่ได้ได้สักสลึง ไม่ได้อะไรซักสลึงเลยไม่สงสารตัวเองเหนือใช้หยาดเงนแรงงานมาตั้งแต่เรียนหนังสือชั้นปหนึ่งจนจบได้ทำการทำงานได้สิ่งได้สิ่งหนึง่งมาใกล้ๆก็จะว่าเป็นของของเราวันสุดท้ายจริงๆหยิบอะไรไม่ได้เลยสงสารตัวเองไหมหมดเวลาแล้ว มีใครจะคุยอะไรชั่งหน่อยไหมครับวัดสามัคคีบรรลามนะครับใครอยู่ใกล้เล้วไปโดยตรงโดยเฉพาะก็ได้นะครับซึ่งเวลาตรงนั้นค่อนข้างที่จะมีมากเพราะว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติโอ้เรา<ม>นั่งสีว่วันเต็มเต็มเลยนะสี่วันเต็มเต็มเลยสอนนะให้แบบเต็มที่เลยอาจมานี่โอ้ เป็นคนทรมานต่างกายตัวเองมากที่สุดเลยไม่หลับไม่นอนทั้งกลางวันกลางคืนเป็นอาทิตย์นู่นนะเหนอยู่นั่นแหละฉันเข้าก็นานทีลงมาฉันครั้งหนึ่งสิบวันมาฉันครั้งหนึ่งพรรษานั้นว่าฉันเข้าไม่เท่าไรหร่ออกสามพรรษานั่นนะ ฉันเข้าไม่กี่วันวนมากก็ไม่ลงมาพร้อมตัวเล็กนิดเดียวการจะให้มันแห้งตายไปเลยอ่ะแต่มันไม่ตายมาศึกษาแล้วก็มาเจอความหลุดพน้นนี่เอาเดินตามเส้นนี้สักหน่อยก็มาเจอสมาธิพอสมาธิเกิดแล้วก็เดินปัญญามันก็เริ่มไปกันใหญ่เลย มันทำได้กันทุกคนนะพระพุทธเจ้าสงสารพวกเราขนาดไหนจะรึกพระธรรมวินัยลงในพระไตรปิฎกเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้กางกันด้วยเพศด้วยวัยไม่ได้กางกันด้วยชาติชั้นวรณะเลยนะท่านจะปิดปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้วัดก็ได้บ้านก็ได้อันนี้สำหรับอันเนี้ย มันเป็นสิ่งที่ให้ผลไม่มีการพวกเราติดขัดกับตัวเองขัดข้องกับตัวเองราามีนั้นมีนี้ติดนั้นติดนี้ทั้งทั้งที่ไม่ติดก็เอามาเป็นปัญหาทั้งหมดที่จะพ่วงตัวเองไม่ได้ไม่ให้เข้าหาธรรมนี่แต่เหตุแต่ผลทั้งนั้นยกมาเป็น เครื่องกางกัน้นทั้งนั้นเลยจิตใจแต่ละดวงสิงสถิตยอยู่ในชายก็ดีสิงสถิตยอยู่ในหญิงก็ดีพร้อมอยู่ทุกเวลาว่าจะเป็นพระอารหันต์ได้ทุกเวลาเท่ากับธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ผลไม่มีการเนี่ยเพราะฉะนั้นคิดใหม่เสียนะว่าจิตอยู่ที่ไหนอีก ติดอยู่ที่เราขี้เกียจขี้ค้านเข็นแก่ตัวมักง่ายติดอยู่กับการหลับการนอนติดโอ้เยอะแยะไปคิดใหม่เสียนะคิดใหม่แล้วก็พยายามชาตินี้ให้เป็นชาติสุดท้ายอ่ะพอเข้าใจไหม